บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปกายานุปัสนาสติปฐานข้อต่อไปนั้นคืออิรยาประทะปป ะ, ะเรวมหมวดแห่งอิรยาบททั้งสี่ประการคือยืนเดินนั่งนอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงหลัก การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบตามหลักอนาปาณสติกมามฐานแล้วก็รับสั่งว่าลูกกรภิกสุททั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกและทรงแสดงหลักของการปฏิบัติเมื่อบุคคลใชอิริยาบถ ท, ทั้งสีว่าเมื่อบุคคลเดินอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรากาลังเดินอยู่เมื่อบุคคลนั่งอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรากาลังนั่งอยู่ เมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังนอนอยู่และเมื่อยือนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรายือนอยู่ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ในการศึกษา oh. เพื่อเกิดเป็นความสงบและความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเช่นเดียวกับในข้ออื่นๆนั่นเอง แต่ว่าได้นำธรรมะเข้าไปเสริมในจุดนั้นๆเพื่อใช้ให้เกิดความสงบและเกิดความรู้เท่าทันขึ้นมาตามความเป็นจริงอย่างไรในริยาบททั้ง4ประการนั้นการกําหนดตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อิริยาบทในชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการทําใจให้สงบอยู่กับอิริยาบทต่างๆ ซึ่งหมายความว่าสติจะต้องเกิดขึ้นทันและแนบนั่นอยู่กับเอริยาบทเหล่านั้นข้อนี้ตัวอย่างที่พึ่งเห็นได้ชัดเจนในกรณีของการเดินจงกรมบุคคลใช้สติกำหนดระลึกอยู่ตั้งแต่ยกเท้าขึ้นเหยียดเท้าออกแล้วก็เหยียบเท้าลงซึ่งบางครั้งมีจังหวะที่สลับซับซ้อนมากขึ้นไปกว่านั้น ก็สูดแต่ว่าอาจารย์ผู้อธิบายต้องการจะให้สติเป็นปายเรียวอย่างไรแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าในขณะใดที่เราอยู่ในอริยาบทใดคือจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามก็ให้มีสติระลึกอยู่กับอิริยาบทเหล่านั้นจะในขณะที่ยืนก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังยืน สติก็อยู่กับรูปที่ยืนอยู่เวลาเดินนั่งนอนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสติที่เป็นไปในริยาบททั้งสประการนี้ในชั้นหนึ่งซึ่งเป็นผลที่บุคคลจะได้ในชีวิตประจำวันคือความไม่พลังพลาดในริยาบททั้งหลายเพราะริยาบทหลักทั้งสี่ของคนเรานั้นถ้าหากว่าสติเกิดเป็นไปไม่ทันแล้ว ก, ก่อให้เกิดความพลั้งพลาดจนถึงประสบอันตรายอย่างที่พบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นๆพ้นพวงที่เกิดขึ้นจากการตั้งสติระลึกอยู่กับอิริยาบถประจําวันคือยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าเสริมสติเข้าในแต่ละอิริยาบถให้มากขึ้นเป็นการทรงอิริยาบถนั้นๆเอาไว้ในฐานะที่เหมาะที่ควรประการหนึ่ง เป็นการป้องกันความพลั้งพลาดเพ้อเรอที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อริยาบทเหล่านั้นประการหนึ่งและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือตัวสติซึ่งใช้ระลึกในอริยาบทซึ่งบางครั้งก็เป็นไปเร็วอย่างในกรณีของการเดินสติก็ต้องระลึกเร็วตามอริยาบทที่ก้าวไปคือตามเท้าที่ก้าวไปความคล่องแคล่วแห่งสติก็เกิดเพิ่มขึ้น ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การทำงานที่ต้องเร่งรัดรวดเร็วมีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรัชติเกิดขึ้นได้เร็ว <c oughs> การกำหนดสติระลึกอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าสติสามารถแนบแน่นอยู่กับวิริยาบทได้ <c oughs> ก็กลายเป็นความสงบนี้เป็นการระลึกชั้นหนึ่ง แต่อีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นการระลึกโดยการใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เกิดความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆแห่งอุิยาบทเหล่านั้นโดยตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วแสวงหาคำตอบในสามช่วงของความคิดด้วยกันช่วงแรกก็คือใครเดินช่วงที่สองก็เป็นการเดินของใคร ช่วงที่สามอะไรเป็นเหตุให้มีการเดินได้ประการแรกคือใครเดินนั้นเป็นการมองให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่เดินแต่เป็นการเกิดขึ้นของเหตุปัจจัยต่างๆที่มาประชุมกันดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่า การปฏิบัติกรรมาฐานสูตรนี้ต้องการที่จะให้บุคคลถ่ายถอนอตตสัญญาคือการกำหนดหมายว่าตนหรือของตนออกไปหรือการกำหนดหมายว่าสัตตสัญญาคือความเป็นสัตว์เป็นคนออกไปแต่ให้มองในรูปของเหตุปัจจัยที่มาเกาะกลุ่มกันแล้วก็ให้เกิดเป็นการสมมติปัญญัติขึ้นแต่ข้อที่บุคคลพึงเข้าใจเอาไว้ก็คือว่า การมองในชั้นนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานมีการมองความจริงอย่างแท้จริงตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งนั้นส่วนความเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขานั้นเป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติดังที่เคยกล่าวมาแล้วประการต่อไปก็คือการเดินของใครก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็จะเห็นได้ว่า ไม่มีของเราและไม่มีของเขาแต่เป็นการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ของจักรกลต่างๆที่มาประกอบกันเท่านั้นเองซึ่งเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราพูดว่ารถเดินเกวียนเดินหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเดินเป็นต้นแท้แต่จริงแล้วสิ่งนั้นไม่ได้เดินแต่สิ่งนั้นจะเดินไปได้ก็ต้องอาศัยเครื่องประกอบต่างๆ เช็นว่ารถจะเดินได้ก็ต้องอาศัยความสมบูรณ์แห่งเครื่องรถเครื่องยนต์นกลไกต่างๆแล้วก็มีคนขับมีเจตนาในการขับรถนั้นก็เคลื่อนไหวไปได้แต่ถ้าองค์ประกอบหลักเหล่านั้นขาดไปรถก็เดินไปไม่ได้การเดินที่มีอยู่ในชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้น ท่านแสดงว่าที่มีการเดินเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาจากเจตนาพอเจตนาบังเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดวาโยธาต์คือลมที่วิ่งไปใจก็กําหนดว่าเราจะจืนวาโยธาต์ก็เกิดขึ้นทําหน้าที่ทรงกายของบุคคล น, นั้นเอาไว้ในข้อนี้บุคคลก็จะเห็นได้ในชีวิตประจําวันของตนเองว่า ถ้าลมเกิดขัดข้องขึ้นมาก็เดินอยู่ไม่ได้หรือลมมากเกินไปก็ต้องล้มลงหรือไม่สามารถทรงกายอยู่ได้เช่นว่าลมขึ้นศีรษะเกิดหน้ามืดขึ้นมาอาการยืนเหล่านั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตัวลมหรือวายโยท่าที่บังเกิดขึ้นนั้นก็ต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป จึงทำให้ทรงอิริยาบถยืนเอาไว้ได้ในการนอนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลมีเจตนาบังเกิดขึ้นก่อนว่าเราจะนอนจากนั้นก็วาโยาธาต์ก็เกิดขึ้นแผ่ไปในร่างกายทำให้ร่างกายเอ็นร่าลบบงไปทีนี้ถ้าหากว่าเกินไปหรืออ่อนไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือไม่สามารถจะทรงอิริยาบถนอนที่ปกติเอาไว้ได้ เวลานั่งบุคคลก็มีเจตนาว่าเราจะนั่งวายโยธาต์ก็บังเกิดขึ้นในที่นั้นแล้วบุคคลก็ทรงกายไปได้ถ้าว่าวาโ ย, ายธาตเกิดน้อยไปก็ทรงกายไปไม่ได้หรือเกิด <c oughs> เกิดมากเกินไปก็มีลักษณะดังที่กล่าวแล้วคือไม่สามารถจะนั่งอยู่ได้เวลาเดินก็มีลักษณะอย่างนั้นข้อ น, นี้จึง เป็นข้อที่บุคคลสามารถตามระลึกได้อยู่ในเรียาบททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ตาม <c oughs> ว่าล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเขตจากปัจจัยร่างกายของบุคคลเรามีลักษณะเหมือนกับสรีระยนที่จะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันข้าวและองค์ประกอบเหล่านั้นไม่มีความบุกล่อง เรียบทก็ดําเนินไปได้โดยปกติแต่ถ้าเกิดมีความบกพร่องชำรุดขึ้นในส่วนในสวนดส่วนหนึ่งร่างกายคือยนต์นี้ก็ดําเนินเป็นไปไม่ได้การดูในลักษณะนี้ก็ดูกันบ่อยๆดูกลับไปกลับมามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันในเริยาบ ท, ทั้งหลายเมื่อระลึกรู้อยู่บ่อยๆและสามารถที่จะ ตามทันอิริยาบถเหล่านั้นในแต่ละขณะใช้ปัญญาแยกแยะให้เห็นตามนัยยะที่ท่านสอนที่ดูพร้อมกับมีสติสติสัมปชัญญะระลึกรู้รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอยู่จากนี้ต่อแต่นั้นก็จะเกิดความรู้ที่ถูกทรงตามหลักของความเป็นจริงคือมองเห็นอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ ที่เป็นภายในของตนว่าเกี่ยวข้องกับเพศปัจจัยดังกล่าวแล้วคือความประกอบพร้อมแห่งร่างกายเจตนาที่บังเกิดขึ้นจากใจการเคลื่อนขึ้นหรือการวิ่งไปแห่งวายโยธาทำให้อิริยบทต่างๆดำเนินไปได้โดยปกติเช่นใดแม้แต่อริยบทสีที่เกิดขึ้น แกบุคคลอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นการดูโดยวิธีนี้บุคคลสามารถมนัิการคือทำไว้ในใจได้ใ น, ใ, นในรยาบทในในยาบทของตนตามสมควรแก่การและแม้ดูการก้าวไปการเดินไปของบุคคลอื่นก็สามารถที่จะมนัิการตามแนวของกรรมฐานที่กล่าวมาแล้วได้เห็นคนเดินเห็นสัตว์เดิน ก็กำหนดเอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์เดินแต่เป็นการประกอบการของเหตุของปัจจัยทั้งหลายที่ก่อให้เกิดเป็นการเคลื่อนไหวไปในรียาบทนั้นๆแต่ถ้าหากว่าองค์ประกอบหลักสำคัญข้อใดข้อหนึ่งเกิดเปลี่ยนแปลงไปหรือเสียหายไปเรียาบทเหล่านั้นก็เป็นไปไม่ได้จนสามารถมองเห็น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกายทั้งที่เป็นภายในคือกายตนเองและกายที่เป็นภายนอกคือกายของบุคคลอื่นแล้วก็น้อมนำมาพินิจพิจารณาดูถึงความเกิดขึ้นของอิริยาบถเช่นการยกเท้าขึ้นก็เป็นการเกิดการเหยียบลงก็เป็นการดับยกขึ้นก็เป็นเกิดเหยียบลงก็เป็นดับเป็นตน้นอิริยาบถอื่นก็มองในแง่ของความเกิดดับดังนั้น แล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปหาบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยสมมติบัญญตัติว่ามีลักษณะอย่างนั้นคือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอดูไปดูมาก็มองเห็นเฉพาะความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงไปแห่งร่างกายซึ่งระยาบทเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและจะไม่มีการเกิดขึ้นซ้ําอีกเป็นครั้งที่สองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับ ถ้ามองในแง่ของปกติธรรมดาคล้ายๆกับว่าจะเกิดขึ้นได้อีกซ้ำสองแต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่วนการก้าวไปในก้าวที่สองนั้นเป็นก้าวด้วยอริยบทอย่างหนึ่งในกาละอีกอย่างหนึ่งโดยเจตนาอีกอย่างหนึ่งเป็นการเกิดขึ้นคนละกาละคนละเจตนาคนละอิริยบทกัน ซึ่งก็หมายความว่าอิริยาบถแต่ละอิริยาบถนั้นก็เกิดขึ้นดับไปในแต่ละคราวอยู่ตลอดเวลาเป็นกระบวนการตามธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่ในชีวิตทั้งหลายต่อจากนั้นก็จะมองเห็นถึงความจริงในกายตนและกายบุคคลอื่นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการมีอยู่อันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบต่างมีขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้น ก็มีการสมมติบัญญัติการว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาแต่แท้ที่จริงแล้วนั่นคือความจริงในชั้นของการสมมติบัญญัติเท่านั้นแต่ชั้นของความจริงอันแท้จริงแล้วไม่มีความเป็นเราไม่มีความเป็นของเราและไม่มีความเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า ในชีวิตประจำวันของบุคคลเรานั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดานั้นถ้าหากว่าไม่มีของเราเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหาต่างๆย่อมไม่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็าตามยกตัวอย่างเช่นความพินาศเดือดร้อนเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลก ดยแผ่นดินไว้บ้างด้วยภัยธรรมชาติอย่างอื่นบ้างด้วยการประทุษร้ายต่อกันและกันของบุคคลต่างๆบ้างเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาอ่านข่าวคร า, าวเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ผ่านไปในฐานะที่เป็นนักศึกษาธรรมะอาจจะมองเห็นกฎของกรรมมองเห็นโทษของการเบียดไายตายเกิดว่าเวรกรรมเหล่านี้ทุกทรมานเหล่านี้ ถ้าคนเราไม่มีการเกิดมาก็ย่อมไม่ประส บ, บภัยอันตรายเหล่านี้ซึ่งจำนวนทางศาสนาท่านบอกว่าเป็นโทษแห่งวัตตะคือถ้าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเวียนภัยต่างๆการประทุสร้ายการทำลายล้างกันต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อวั ต, ตะยังมีอยู่โทษเหล่านี้ก็ยังมีอยู่แต่ความรู้สึกโทมนั เกรียดแค้นชิงชงังเดือดร้อนเศร้าโศกร่ำครวญร่ำไรต่างๆก็ยังไม่เกิดขึ้นถ้าใจา ย, ยังไม่ไปผูกว่าเป็นของเราในบุคคลในสัตว์ในสิ่งของเหล่านั้นถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็มีให้เห็นให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอดเวลาเลยแต่จิตใจเราก็ไม่ได้วันไวไปในเรื่องราวเหล่านั้นนี่เพราะอะไรเพราะของเรายัางไม่เกิดขึ้นฉนยกตัวอย่างให้ใกล้ชิดขึ้นมาว่า เกิดมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินทางรถยนต์หรือรถไฟก็ตามซึ่งเป็นข่าวปกติธรรมดาเช่นเดียวกันถ้าความรู้สึกว่าญาติของเราเพื่อนของเราพี่น้องของเราเป็นต้นไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นจิตใจก็จะไม่มีความทุกข์ความเศร้าโศกแต่พอมีข่าวคราวปรากฏว่ามีพระพวกของเราอยู่ในเหตุการณ์นั้น และประสบความพินาศความสูญเสียในเหตุการณ์เหล่านั้นใจก็จะเข้าไปบวกว่าเป็นของเราขึ้นมาทันทีต่อแต่นั้นกระบวนการของความทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโศกรำไรรำพันทุกเสียใจครับแค้นใจและในกรณีเหล่าอื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวของเราจึงเป็นตัวยุง มันยุ่งมาจากอะไรยุ่งมาจากอัตตสัญญาคือความสําคัญว่าเป็นเราตอนนั้นประการต่อไปที่เป็นความยึดถือว่าเป็นเราเรื่องนาจของมานะว่าเราเป็นเราหรือเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในที่ใดก็ตามถ้าไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราบังเกิดขึ้นไอความทุกข์ความน้อยใจยความเสียใจยก็จะไม่มี ดังนั้นบางครั้งบางคราวพระผู้มีพระภาคยา่าจึงสอนโดยทำนองอุปมาคืคอให้บุคคลสานึกมองหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆเช่นทาใจเสมอโดยธาตุทั้งสี่ประการคือทาใจเสมอโดยแผ่นดินบ้าง้วยน้ำบ้าง้วยลมบ้างโดยไฟบ้างเพื่ออะไรเพื่อเอาตัวอย่างดินน้ำลมไฟเหล่านั้น ที่ไม่เกิดความยินดีและความยินร้ายเมื่อประสบกับอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งเหตุปัจจัยแห่งโทสะที่เกิดมาจากมานะคือความรู้สึกว่าเป็นเราบางเกิดขึ้นเช่นไปในสถานที่ต่างๆไม่ได้รับรองอย่างสมเกียรติที่เรารู้สึกว่าเราเป็นหรือว่าการแสดงความไม่เอื้อเฟือ้อไม่เคารพตามความรู้สึกที่คิดว่าเราเป็นหรือเราควรจะได้ โทสะก็บังเกิดขึ้นพระเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเหมือนผาชนะเช็ดพื้นคือใครจะเอาไปเช็ดอะไรใครจะทำอะไรก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรจะเช็ดของสะอาดหรือไม่สะอาดก็ตามในกรณีที่จะถึงกับการต่อสู้การวิวาทกันก็ทรงสอนให้คิดเหมือนโคผู้โคถึก ที่มีกําลังมากแต่เขาหักไม่พร้อมที่จะต่อสู้จะประทุษร้ายอะไรกันใลรใครการทําใจในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการสอนให้บุคคลพยายามถ่ายถอนความรู้สึกว่าเป็นเราว่าเป็นของเราออกไปจากอารมณ์จากเรื่องราวต่างๆนั่นเอง เพราะตัวยุ่งที่สุดนั้นก็คือความรู้สึกว่าของเรารู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีอื่นเช่นว่ามีการด่าว่าการสบประมาทการดูหมิน่นการของบุคคลเราอื่นบุคคลอาจจะยืนฟังด้วยความสนุกสนานแล้วข้อมล้อมกันฟังด้วยความเพลิดเพลิน อย่างที่เห็นได้ในที่ทั่ทวไปทำไมบุคคลจึงเพลิดเพลินได้เพราะความรู้สึกว่าเรายัางไม่มีแต่ด้วยถ้อยคำที่เขาด่าว่าเขากระทบเขาเทียบสุประมาดดูถูกดูหมิ่นเหล่านั้นซึ่งเคยเพลิดเพลินมาในการก่อนแต่เขากลับย้อนมาด่าเอากับเราความรู้สึกว่าเป็นเราก็เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลมีความโกรธ มีความไม่พอใจความระทุสลายเป็นต้นก็แสดงออกมาได้ดังนั้นเรื่องเรากับของเรานี่จึงเป็นตัวสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตของบุคคลมากทีเดียวการที่ทรงสอนให้พิจารณาในเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อถอนอัตตาสัญญาคือการกำหนดหมายว่าเราให้ออกไปและการกำหนดหมายว่าเป็นของเราให้ออกไป ตลอดถึงการกำหนดหมายว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าสิ่งของต่างๆเป็นต้นแต่อย่าลืมข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่านี่คือความจริงชั้นปรมัติตแต่ไม่ได้หมายความว่าพอถึงจุดนี้แล้วจะไปฆ่าขวันจะไปทําลายอะไรกันได้คนเรายิ่งเข้าถึงปรมัติตมากเท่าไหร่ในด้านสมมติบัญญัติยิ่งมีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นชั้นสมมติบัญญัติ ก็เหมือนกระชั้นของศีลจะเห็นได้ว่าพอคนเราขึ้นมาถึงจุดที่ประนีตแล้วในด้านศีลก็จะมีความประนีตสมบูรณ์ตามมาด้วยตรงนี้เป็นปัญหาที่จะต้องมานัศิกาและต้องนึกอยู่เสมอถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดความสับสนและหลงทางในการประพฤติปฏิบัติเพอาเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วค็นึกจะไปหยิบจะไปช่วยนคนอื่นได้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้น การสมมติบัญญัติเราก็ต้องยอมรับในแง่ของสมมติบัญญัติในชั้นปรมัติก็คือความจริงชั้นปรมตัติที่ให้เข้าถึงจิตใจของตนเองและบุคคลสัมผัส ด, ด้วยใจของตนเองไม่เป็นเหตุให้ต้องไปยึดไปถือไปทะเลาะวิวาทกับใครๆเพราะเหตุเหล่านั้นเนื่องจากได้ถอนความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราออกไป กิเลสที่เป็นตัวปัญหาซึ่งทรงแสดงไว้ในตอนต้นแห่งพระสูตรคือการขจัดอภิชาและโทมนัตจึงเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเหล่านี้เพราะการที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายในอารมณ์ต่างๆย่อมก่อให้เกิดความรักความใคร่ความปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหากมองให้ชัดในอารมณ์เหล่านั้น มองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการประกอบกันของสิ่งต่างๆเท่านั้นเองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราถอนได้ทั้งความรู้สึกว่าเป็นสัตว์ถอนได้ทั้งความรู้สึกว่าเป็นคนวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกสําหรับคนทั้งหลายเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่เศร้าโศกเพราะมองเห็นว่าสิ่งที่มาประกอบกันดํารงอยู่ได้เหตุปัจจัย เหตุปัจจัยเหล่านั้นสลายไปก็แตกสลายไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งนั้ น, น, นข้อนี้จะเห็นได้ว่าอย่างในบางกรณีพระพุทธเจ้าต้องอาศัยวัตถุที่เป็นอุปกรณ์ภายนอกมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนบุคคลทั้งหลายให้เกิดความเข้าใจโดยการดูถึงซากศพ บ, บ้างโดยการดูถึงกองกระดูกบ้างโดยการดูกระดูกที่เกื่อนกราดอยู่ในที่ต่างๆบ้าง คือดูตอนที่ย่อยออกแล้วเพราะตามปกติใจเราไม่ยอมย่อยไม่ยอมแยกให้เห็นถึงความจริงเหล่า น, นั้นก็ไปดูในส่วนที่ย่อยออกแล้วซึ่งเป็นกรรมฐานอีกกลุ่มหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ในประสูดนี้เหมือนกันแต่อยู่ในตอนข้างหลังการพิจารณาในลักษณะนี้อย่างน้อยที่สุดเมื่อพิจารณาอยู่คิดอยู่ก็จะถ่ายถอนบรรเทาความยึดถือ ว่าเป็นเราเป็นของเราและเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้สิ่งอะไรที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็เป็นเรื่องที่เกิดดับมาแล้วในอดีตเพราะขณะปัจจุบันใกล้ๆเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลานับประสาอะไรกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตในเรื่องอนาคตก็อยู่ก็จะอยู่ในกฎของความเกิดดับในลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเมื่อระลึกรู้พินิจพิจารณาอยู่บ่อยๆโดยในยะนี ก็จะมองเห็นทั้งในแง่ของสมมติสัจจะและมองเห็นทั้งในแง่ของปรมัติสัจจะในด้านของสมมติก็เป็นการปฏิบัติอนุวัตตามโลกไปในด้านปรมัต์นั้นเป็นการเข้าถึงจิตใจที่สามารถถอนความรู้สึกด้วยอานาจตัณหามา n นะและทิฏฐิลงไปได้ดังกล่าวแล้วอธิยาบททั้งสีประการที่ทรงสอนให้กาหนดพินิษ์พิจารณานั้น พอถึงจุดหนึ่งก็มาสรุปลงที่อริยสัจสี 4, ่เช่นเดียวกับข้ออื่นๆเพราะธรรมะทั้งมวลในพระพุทธศาสนานั้นสรุปลงที่อริยสัจสี่ทั้งหมดใครจะปฏิบัติมาในทางใดโดยเฉพาะในกรณีของสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนั้นท่านอุปมาว่าเหมือนกับประตูเมืองทั้งสี่ทิศคนอยู่ทั้งทิศใดก็ข้ามาทางทิศนั้นแต่พอเข้ามาแล้วก็เป็นเมืองเหมือนกัน การปฏิบัติตามหลักกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้โดยวิจิตพิสดารก็มีลักษณะอย่างนั้นใครจะเริ่มต้นที่จุดไหนก็ได้แต่ในที่สุดจะมีจบมีจุดบรรจบอย่างเดียวกันคือการรู้แจ้งในอริยสัจทั้งสี่ประการอริยบททั้งสี่เข้าในอริยสัจได้อย่างไรริยาบททั้งหลายนั้นก็คือทุกสัจอย่างที่รู้เห็นกัน ส่วนตันหาที่เกิดขึ้นในอิริยาบทเหล่านั้นหรือก่อนอริยาบทเหล่านั้นก็เป็นสมุทัยยสัตวซึ่งบุคคลอาจจะเห็นได้ว่าอริยาบทบางอย่างนั้นเกิดจากแรงกระตุ้นของตันหาอย่างสูงมากเช่นบางครั้งบางคราวได้พักผ่อนหลับนอนพอสมควรแล้วแต่ความอยากที่จะนอนมันเกิดขึ้นดุนแรงยังไม่ยอมลุกขึ้นมาจากที่นอนนี้ก็ทําให้เกิดตันหาในอิริยาบทนอน บางครั้งไม่ยอมลุกขึ้นไปในที่ไหนด้วยความอยากที่จะนั่งบางทีเรียบทที่เกิดผลักดันให้ไปในสถานที่ต่างๆด้วยแรงแห่งตัณหาสูงเช่นเรียบทเดินเป็นต้นก็แสดงเห็นว่าในเรียบ ท, ทั้งส่นั้นก็มีตัณหาเข้าผสมอยู่ตลอดส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรณีนั้นๆดังนั้นตัณหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเป็นรียบทแต่และเรียบท และที่มีอยู่ในเรียบทนั้ น, น, นจึงเป็นสมุทัยสัต์การที่บุคคลมองเห็นว่าเรียบททั้งสี่นั้นเกิดขึ้นมาจากเหตจากปจัจจัยดังกล่าวแล้วดับความยึดความติดในเรียบทและเหตุเกิดแห่งเรียบทนั่นก็คือการดับความยึดติดในทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ ตัวสติที่กำหนดระลึกอยู่ที่ริยาบทพร้อมด้วยสัมปชัญญะและความเพียรที่กล่าวนั้นจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะสนับสนุนกันอยู่ตลอดทุกอารมณ์ของกรรมฐานนั่นก็คือตัวมรรคสัตย์แต่ข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าเวลาปฏิบัตินั้นเป็นมรรคไปครบทั้ง8ประการส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับขณะของอารมณ์ที่กาหนดระลึก เริ่มต้นจริงๆก็เป็นเรื่องของศีลคือสัมมาวาจาสมากมันตะสมาชีวะตัวตั้งสติกำหนดระลึกก็เป็นสัมมาสติการใช้ปัญญาพิจารณาก็เป็นสมาธิฏิสัมมาสังกัปปะการใช้ความเพียรพยายามคืออาตาปีความเพียรก็เป็นสัมมาวายามะใจที่สงบอยู่กับเอิริยาบถนั้นๆก็เป็นสมาสมาธิ ซึ่งบุคคลสัมผัสได้ในระดับนั้นนั้นส่วนจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นเกิดขึ้นอยู่กับกําลังแห่งธรรมะที่บุคคลสามารถให้เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป